ก็ความจเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่านั้นแต่ลวงปู่โพธิยานกำลังนำเสนอเรื่องสมาสติมาถึงเรื่องขันธปภะคือหมวดหมวดที่ว่าดโดยขันห้าในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือในมหาสติปนนัฏฐานสูตรนั้นทรงสอนให้มองสามช่วง คือหนึ่งตัวขันแต่ละขันสองตัวความเกิดสามตัวความดับทีนี้เมื่อไปศึกษาโดยพิสดารเนี่ยท่านจะกำหนดลักษณะของขันไว้อย่างละห้าสิบก็เป็นศึกษาในรายละเอียดแต่ท่านผู้ฟังจะต้องจำหลักเอาไว้คือ วิชาตัณหาเนี่ยก็จะเป็นหลักลองนั้นก็จะมีองค์ประกอบอื่นซึ่งแตกต่างกันนินดๆหน่อยนะครับเพราะว่าก็อยู่ในตัวคนคนเดียวกันนั่นเองแต่ว่าเวลามองในแนววิปัสสนานั้นท่านจะสอนให้มองโดยละเอียดก็เรียกว่าทียิบทีเดียว เนื่องจากเป็นการพัฒนาสติสมัมปชัญญะความเพียรที่หนุนเนื่องกันเป็นกระบวนคือในส่วนของรูปประขันคือกองรูปที่ประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่อุปาธาธายรูปยี่สิบสี่นั้นเมื่อกล่าวโดยลักษณะของการเกิดท่านบอกว่ารูปเกิดเพราะอวิชชาเกิด เรื่อวิชาเกิดเป็นเหตุใ้รูปเกิดก็ได้นะฮะมันเป็นกระบวนที่ก็เรียกว่ายกไปยกมาได้ยกจากหัวไปไปหางยกจากหางไปไปหัวยกยกจากหัวไปตรงกลางยกจากโรคยกจากตรงกลางไปหางไปหัวนี่ได้รูปเกิดขึ้นเพราะตัณหาเกิดขึ้นอวิชานั้นคือความไม่รู้อริยสัจเป็นสี่วามไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคต ไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตไม่รู้ในกฎของปฏิจจสมุปบาทตัณหาก็คือตัณหาสามได้แก่การตัณหาจิตดิ้นรนทะเยอทยานอยากในวัตถุการมทั้งหลายเพราะว่าตัณหาจิตดิ้นรนทเยอทยานอยากในความมีความเป็นวิปาวะาตัณหาจิตดิ้นรนทเยอทยานอยากในความไม่มีไม่เป็น แล้วก็รูปเกิดเพราะกรรมเกิดขึ้นกรรม ก, กรรมนั้นหมายทั้งกุศลทั้งอกุศลแล้วก็อาปยากฤิแต่ตัวใหญ่จริงๆก็คือกุศลกับอกุศลพราะการเกิดของคนมันเกิดดีกับเกิดไม่ดีก็เรียกว่าเกิดโดยบุญและบาปแต่ว่ากรรมในแง่ของความจริงมันก็มีทั้งสามนะฮะคือกุศลอกนะุศลปนะยากริศทั้งๆคือตาม ตามกระแสะของธรรมะปฐรรมคือมีสามสามกลุ่มคือกุศลอกุศลและอภิญญาปิวังกรรมมันก็มีสามเหมือนกันแต่ว่าการรมที่เป็นเหตุให้เกิดเนี่ยมันคือกุศลอกุศลนี่เป็นหลักแล้วก็รูปเกิดขึ้นเองโดยไม่มีเหตุ ม, มีปจัจจัยทีนี้ถ้ากล่าวโดยลักษณะของการแปรผันคือความเสื่อมสิ้นไป แต่เราถึงความแตกดับไปนะครก็ทั้งห้าอย่างนี้มันดับไปกับรูปจะบอกว่ารูปดับสิ้นไปเพราะวิชาดับสิ้นไปรูปดับสิ้นไปเพระตัณหาดับสิ้นไปรูปดับสิ้นไปพระกรรมดับสิ้นไปรูปดับสิ้นไปเพราะอาหารดับสิ้นไปแล้วก็รูปดับสิ้นไปเพราะไม่มีปัจจัยดับไปเองโดยไม่มีปัจจัย เวทนาขันก็มีลักษณะอย่างนั้นเมื่อกล่าวในด้านเกิดคือเวทนาเกิดขึ้นเพราะวิชาเกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นเพราะตนาเกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นเพราะผัสสะเกิดขึ้นเพราะเพราะกรรมเกิดขึ้นกรรมเกิดขึ้นเพราะผัสสะเกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นเพราะผัสสะเกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นโดยไม่อาศัยปัจจัย ก็สแสดงว่าในกระบวนการของเวทนาเนี่ยอวิชชาปัญหากรรมในเหมือนกันภัสสาวะนี่ที่ยิงก็เป็นอาหารนะฮะเป็นอาหารเช่นนี้เรียวกว่าปัสสาอหารทีนี้ในส่วนของความแปรผันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นกระบวนการอีกว่าเวทนาดับสิ้นไปเพราะอาวิชชาดับสิ้นไป เวทนาดับสิ้นไปพระตัณหาดับสิ้นไปคือข้อนี้ลองสังเกตนะฮะลองสังเกตดูง่ายๆนะว่าเช่นว่าเราไม่เคยไม่ไม่ยินดียินร้ายในอารมณ์อะไรสักอย่างหนึ่งความสุขหรือทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นกับเราและตัณหาที่จะอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นก็ไม่เกิดขึ้นกับเรา แล้วก็แสดงว่าเป็นสิ่งที่เราสัมผัสอยู่ในแต่ละวันเองเพียงแต่ว่ามาศึกษาเรียนรู้มาทําความเข้าใจในรายละเอียดที่ลึกซึ้งลงไปเพราะเมื่อเวทนาดับสิ้นไปก็เพราะกรรมกระดับสิ้นไปเวทนาดับสิ้นไปเพราะผัจจะคือการกระทบทางตาหูจมลิ้นกายใจนะครับดับสิ้นไปและเวทนาดับสิ้นไปดับสิ้นไปเองโดยไม่มีเหตุปักจัย นนเถ่อสัญญาขันคือกองมันสัญญามันก็แบ่งออกเป็นสิบเหมือนกันคือสายเกิดห้าสายดับห้านะฮะคือสายเกิดห้าสายดับห้าสัญญาเกิดขึ้นเพราะอวิชชาเกิดขึ้นสัญญาเกิดขึ้นเพราะตัณหาเกิดขึ้นสัญญาเกิดขึ้นเพราะกรรมเกิดขึ้นสัญญาเกิดขึ้นเพราะปัจจัเกิดขึ้น แล้วก็สัญญาเกิดขึ้นเองโดยไม่มีไม่อาศัยปัจจัยแต่เราสังเกตว่าตรงนี้เหมือนกับเวทนาแต่มาต่างกับรูปอยู่หน่อยหนึ่งในด้านของความแตกดับเปลี่ยนแปลงไปก็เหมือนกันสัญญาดับสิ้นไปเพราะอาวิชชาดับสิ้นไปสัญญาดับสิ้นไปเพราะตัณหาดับสิ้นไปสัญญาดับสิ้นไปเพราะกรรมดับสิ้นไป สัญญาดับสิ้นไปเพระาะปัสสะดับสิ้นไปสัญญาดับสิ้นไปเองโดยไม่มีปัจไก่พอ ม, มาถึงสังขารือสังขารอย่างนี้พวกกุศลนธรรมอกุศลนธรรมอภิยกตะธรรมนะสังขารเนี้ยสังขารในขันห้าก็ได้กุศลนักุศลนัตประยักติแพรว่าสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะวิชาเกิดขึ้น สังขารทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะตัณหาเกิดข uh ึ huh. ้นส cin ังขารทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะกรรมเกิดขึ้นสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะปัจจเกิดขึ้นสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นเองนะฮะโดยไม่มีอาศัยปัจจัยพวกนี้แบบเดียวกับเวทนาแบบเดียวกับเวทนาคือองค์ประกอบยังก็เหมือนกับเวทนาเหมือนสัญญา สังขารดับสิ้นไปเพราะวิชาดับสิ้นไปสังขารดับสิ้นไปเพราะตัณหาดับสิ้นไปสังขารดับสิ้นไปเพราะกรรมดับสิ้นไปสังขารดับสิ้นไปเพราะภาษาดับสิ้นไปสังขารดับสิ้นไปเพราะดรบสิ้นไปเองนะฮะโดยไม่มีปัจจัยพอถึงเวทนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน มันไม่ใช่คือวิญญาณนะฮะวิญญาณนขันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันวิญญาณในที่นี้เป็นวิญญาณนขันคือกองของวิญญาณเพราะเมื่อวิญญาณเกิดขึ้นเนี่ยพระวิชามันเกิดขึ้นพระวิญญาณเกิดขึ้นเพระวิญญาณเกิดวิญญาณเกิดขึ้นพระตัณหาเกิดขึ้นวิญญาณเกิดขึ้นพระกรรมเกิดขึ้นวิญญาณเกิดขึ้นพระนามและรูปเกิดขึ้นนามรูปเกิดขึ้นเน่ย โดยไม่แม่อาศัยปัจจัยตัวนี้ลองนึกถึงปฏิจจสมุปบาทโดยเชนว่าคือปฏิจจสมุปบาทเองเก็มองจากหัวก็ได้มองจากหางก็ได้นะครับมองจากตรงกลางย้อนกลับไปหัวไปหางก็ได้ก็หมายความว่าในการงองอย่างนี้ก็ไปตัดตอน อ, อที่บิน ญ, ญาณบิน ญ, ญาณเกิดขึ้นเนี่ย เพราะอวิชาวิ ญ, ญญาณเกิดขึ้นเพราะตันหาวิญญาณเกิดขึ้นก็เพราะกรรมวิญญาณเกิดขึ้นก็เพราะนามรูปวาะอาศัยนามรูปเนี่ยวิญญาณไอ้ไม่ใช่คือวิญญาณเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดนามรูปวางสายกันไปอางสายกันมา เป็นกระบวนการปฏิกิริยาลูกโซ่นะฮะเราจะถือว่าไอ้โซ่ไหนเป็นเป็นเหตุเ้เกิดโซ่ไหนก็ได้มันโยกการทางสายเกิดแล้วก็สายดับเพราะวิญญาณดับสิ้นไปเนี่ยเพราะอาวิชชาดับสิ้นไปวิญญาณดับสิ้นไปปราะตัณหาดับสิ้นไปวิญญาณดับสิ้นไปเพราะกรรมดับสิ้นไปวิญญาณดับสิ้นไปเพราะนามรูปดับสิ้นไปวิญญาณดับสิ้นไปเองโดยไม่มีปจัจจัย ในข้อนี้เป็นวิธีการในการแนะผู้บำเพ็ญพิจารณาลักษณะการเกิดและลักษณะของการแปรผันของขันห้าห้าอย่างอย่างละห้าในขันหนึ่งขันหนึ่งเนี่ยได้ลักษณะสิบจึงรวมแล้วก็เป็นลักษณะห้าสิบเยวกันเป็นแนวของการเจริญวิปัฒนา ตันนี้ก็ตรงกันแนวยะนยะที่ทรงแสดงไว้ในอนัตตลกนัสูตรยกตัวอย่างอนัตตลกันสูตรเนี่ยเพราะว่าส่านสาธารณชนคุณๆนะฮะได้ยินบ่อยๆเพราะว่าโครงสร้างของธรรมะเขาก็เป็นอย่างเดียวกันเพียงแต่ว่าในอนัตตลกนัสูตรนั้นได้ยกเอาขันธ์ห้าเป็นอนัตตาเนี่แหละไม่ใช่ ก็หน้าตกอยู่นกฎของไตรักษ์แต่มันเริ่มต้นที่อนัตตาคือตามปกติแล้วจะมักจะเริ่มต้นที่อนิจจังทุกขังกนาตตาก็จะเริ่มอย่างนั้นแต่พอดีในนาตาลกนาสูท่านปัญญวัคคีเนี่ท่านเป็นพราหมณ์ที่คุ้นเคยอยู่กับชีวิตอมตะคุ้นเคยอยู่กับปรมาตามันมหาตามันปรมันต่างๆ ปึ่งเป็นขอ ง, งแทงแพ้ยั่งยืนถาวรไม่แปรพันนแต่นั่งพระเจ้าก็ทรงแสดงในรูปของอวณาต่าขึ้นมาแสดงก่อนแต่ก็บีประเด็นนะฮะบีประเด็นอยู่เฉพาะที่ขันห้าเพราะอะไเพราะว่านิพานเนี่ยมันไม่ใช่ขันนิพานเป็นอนณา ต, ตาแต่นิพานเป็นนิจังเป็นสุขขัง คือไม่ได้เป็นอนิจจังไม่ได้เป็นทุกขังลับเขาด้วยแต่เป็นหน้าตาในประเด็นที่ว่าว่างจากกิเลสเป็นความว่างที่ไม่มีอะไรเจือปนอยู่ที่จริงก็เป็นธรรมะฝ่ายกุศลนะฮะปัญญาบริสุทธิ์กุณาก็ในช่วงแรกเนะี่ยทรงแสดงให้เห็นว่าโดยสรุปนะฮะโดยสรุปว่าขัร์นั่างา น, นั่นเป็นอน้าตา ถ้าขันห้าจะเป็นอัตาตาตัวตนแล้วขันห้าก็จะไม่พึงเป็นไปเพื่อภาพสัตว์ั้งหลายจะได้ในขันห้านั้นตามใจหวังว่าขอ ข, ขันห้าก็เราจงเป็นอย่างนี้เถิดขอกันห้าจงเป็นอย่างนั้นเลยอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่เพราะขันห้าเป็นอนอัตตาขันห้าจึงจึงเป็นไปเพื่อภาพแต่สัตว์ทั้งหลายจะไม่ได้ในขันห้าตามที่ใจตนหวังว่าขอขันห้าก็เราจงเป็นอย่างนี้เถิดขอขันห้าก็เราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย แล้วเสร็จแล้วก็ทรงแสดงในรูปวงการตั้งคําถามไม่คิดว่าดูก่อนพิสูจน์ต่างหลายเธอตั้งหลายจะสําคัญความข้อนี้เป็นจไหนขะหนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงพิสูจปัญญากีก็กล่าบทุนว่าไม่เที่ยงไปเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นหรือเป็นทุกข์ทั้งก็ตอบว่าเป็นทุกข์ไปเจ้าค่ะ สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเนี่ยเป็นการสมควรไหมที่จะไปยึดถือว่านั้นเป็นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราพิสุ ป, ปัญญบุคีก็กราบถึงว่าโนเหตังพันเตไม่เป็นการสมควรเลยพระเจ้าค่ะคือประเด็นตัวนี้คือประเด็นเอตังมามะเอสโวมันจะมีเอสโวเมตาเนี่ยเอตัง ม, มามะไปยึดถือว่ามันนั่นของเราของเราของเราของเรา เราเจอเมื่อเอาก็จริงเนี่ยชีวิตเรายังไม่เป็นของเราเลยทรัพย์ของเราก็ไม่เป็นของเราจริงมันเป็นการครอบครองโดยไม่มีโอกาสครอบครองจริงมันเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวมือนของที่ยืมเข้ามาแล้วเขาก็ทวงเขาก็ต้องสงคืนเข้าไปในโอกาสอันควรปัญจจริงล่านี้ก็มีลักษณะยอย่างนั้น มันมีความแปรผันไปโดยประการต่างๆแต่ว่าเพราะวิชาเป็นปัจจัยนะฮะจึงเกิดตัณหากันมาทาให้ลงมืดบอดในด้านเหตุผลสติปัญญาก็ไ่อยคว้าเพื่อถือครองครอบครองกัน้วยประการต่างๆหรื อ, อย่างนึกดูว่าเอาก็จริงแม้แต่การบวชเนี่ย บวชนะั้นเพื่อเว้นนะที่จริงก็เพื่อเว้นเพื่อลดเปื่อละเพื่อจางเพื่อกลายเพื่อบรรเทาสัรพกิเลสทั้งหลายแต่พอเอากรจริงแล้วมันก็บางทีก็เพิ่มกิเลสขึ้นมาเพิ่มความได้ความมีความเป็นขึ้นมาแทนที่จะลดละบรรเทาจางคลายลงไปเป็นการทรวนกระแส คือสวนทางกับนิพพานเพราะว่าไปเพิ่มของเราขึ้นมาเยอะและั้งทั้งที่ก็รู้นะฮะว่ามันไม่เป็นของเราจริงคือยังมองถึงสังคมสง์เราที่โดยโครงสร้างเนื้อหาสาระนี่มันมาจากประใสริปิโกประธรรมวิยัย แต่เรายึดหลักของมาทำวินัยไม่ไปใช้ความสำคัญกับกฎหมายที่ชาวบ้านรื่มีกิเลสเนี่ยจารกันมามากเกินไปมันก็จะทำให้มีปัญญารู้เท่าทันถึงภารกิจหลักที่เราจะต้องทำคือภารกิจหลักของพระจริงๆเนี่ยคือการศึกษาการปฏิบัติการเผยแผ่การดูแลรักษาศา ส, สนาก็เท่านั้นเอง แต่เราก็ไม่ใส่ใจที่จะเอาจริงเอาจังกับเรื่องเหล่านี้พยายามขอยคว้าดิ้นรนเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นเพื่อครอบครองเพื่อถือครองเพื่อความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในสิ่งทั้งหลายโดยไม่ได้มองว่าสิ่งเหล่าเนี้ยที่จริงมันไม่เป็นของเราจริงโดยจะครอบครองไปเธอเสร็จแล้วก็คือการต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปต้องกระพรากจากไป ไม่มีอะไรที่จะอยู่ได้กันตลอดเรามมนจากเขาเขาก็จากเราอย่างช้านี่ก็จากกันที่ตายอย่าบางทีโรคภัยไข้เจ็บนี่เกิดขึ้นกับเราเยอะแล้วเกิด น, นะถตถึงจนึงเราตายมันก็ตายด้วยเพราะว่าชีวิตทั้งหลายนี่มีอย่างนี้เป็นธรรมดาคาว่า เอตามเอโซมัสมินั่นเป็นเราเป็นนั่นเป็นนี้เราเป็นพระครูเป็นราชาคณะเป็นนายอำเภอเป็นข้าหลวงเป็นอะไรแต่งกวากันเยอะแยะไปหมดเลยเราก็จริงเราก็ไม่ได้เป็นจริงมันเป็นการสมมุติบัญญัติเป็นกติการะเบียบทางสังคมที่สร้างขึ้นสมมุติแต่งตั้งมอบหมายแล้วเราก็รับผิดชอบตามที่เราได้ตูกแต่งตั้งมอบหมายให้เป็นในขณะนั้นๆ เราทิงจุดหนึ่งเราก็ไม่ได้เป็นจริงเราลาทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายึดถือว่าเราเป็นอย่างสิ่งที่ของเราของเราของเราทั้งหลายในพระเจ้ารับสั่งว่าเป็นการบ่นเพอ้อว่านั้นของเราของเราของเรานแท้จริงตัวของเรายังไม่เป็นของเราสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของเราได้อย่างไงหรืออย่างที่ท่านกล่าวไว้เป็นคํากรอนสอนใจไว้ว่า ยศได้ลาผภไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติจริงไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนก็ยังเอาไปเผาไฟเนื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะสุขสนุกจะไหนจะมามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่ามาเจ้าป่ามานณก็เหมือนกันแ่ะเราก็ไม่ได้เป็นจริงเครื่งประดับเหรียญจาต่างๆพัดยศอะไรต่างๆในที่สุดเราก็ต้องจริง แล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้แต่ว่าถ้ามีปัญญาเข้ากํากับเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการทำงานคือเปิดโอกาสให้เราได้ทำงานเปิดโอกาสให้เราแสดงความรู้ความสามารถแ้าเราไม่มีฐานะชั้นยศอะไรซึ่งสมมติปัญญากันในแง่กติกาของสังคมมันก็จะไม่มีโอกาสในการทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อพระพุทธศาสนานเป็นส่วนรวม แต่ตาเราขาดปัญญาเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบในการพิจารณาแล้วเนี่ยมันแทนที่จะได้ประโยชน์เนี่ยมันจะกลายเป็นทุกไปและรัฐเองให้การสงเคราะห์สนับสนุนบำรุงเราก็ไม่คุ้มค่าเกิดประโยชน์ที่ควรจะได้ไม่ได้จริงๆในข้อต่อไปก็ส่งเออเป็นเรียกว่าเอสโอมัตาเกิดได้เป็นตัวตนของเรา เราเป็นรูปรูปเป็นเราเรามีในรูปรูปมีในเราก็ไปยืดไปถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมแล้วก็เป็นยี่สิบให้เราสังเกตเราเป็นขันห้าขันห้าเป็นเราเรามีอยู่ในขันห้าขันห้ามีอยู่ในเราพอไปย่อไปมันก็กลายเป็นยี่สิบก็เรียกสัตว์กายะคือตัวตนที่ไยึดถือไว้ยี่สิบประการหนึ่งกันในช่วงต่อมาเนี่ยทรงสอนได้มองเป็นภาพรวม ว่าประเพณีนั่นแหละพิสูจทั้งหลายขันห้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดียาบก็ดีละเอียดก็ดีเร็วก็ดีปรนีก็ดีเนะอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีดขันห้าก็สักแต่ว่าขันห้ามันไม่ใช่ของเราจริงๆเราไม่ได้เป็นอะไรจริงๆและไม่เป็นตัวเป็นตนของเราจริงๆ ข้อนี้อันเธอทั้งหลายพึ่งเนง้นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงได้อย่างนี้เราสั่งว่าภิกษุทั้งหลายที่ยศสาวกพิจารณาเห็นดู่อย่างนี้ย่อเบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในเวทนาเบื่อหน่ายในสัญญาเบื่อหน่ายในสังขารเบื่อหน่ายในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายก็จะคลายกำหนับพอคลายกำหนับจิตก็พ้นเมื่อจิตพ้นก็เกิดญาณผุดขึ้นมาว่าเราดุดพ้นแล้วดังนี้ จากนั้นกจ็จะรู้จสัตยานะกอบตัวเองว่าชาติคือความเกิดเนี่ยเราไม่เกิดอีกแล้วกิจที่ควรทําเกี่ยวกับการละ บ, บาปบำเพ็ญบุญทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ต้องทําแล้วเพราะไม่มีบาปต้องละไม่มีบุญที่จะต้องเพิ่มนะมันมีความสมบูรณ์ด้วยบุญไปแล้วแล้วกิจอื่นในธรรมนองเดียวกันอย่างเนี้ยอย่างเดียวกานละ บ, บาปบำเป็นบุญก็ไม่มีอีกต่อไป วันในในที่สุดเนี่ยท่านท่านที่รู้เห็นอย่างนี้ยท่านก็มองว่าขันห้ามันก็มีอยู่จักแต่ว่าเป็นขันห้านั่นเองพิจารณาเห็นทั้งกันห้าทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมสลายไปของขันห้าและพิจารณาเห็นทั้งความเกิดทั้งความเสื่อมไปไใจที่รู้สึกว่ามีขันห้าเนี่ยมันก็สักแต่ว่าเป็น ขันเป็นที่ระลึกและจะไม่ข้องไม่ติดไม่ยึดอยู่ในในขันดังห้าเหล่านั้นแล้วทรงสรุปไว้ในตอนสุดท้ายนี่าบุกกรภพิสูจน์ทั้งหลายพิกูุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือบุตรตาขันอุปทานาขันอย่างนี้แหละซึ่งจากหลักนี้เราจะเห็นว่าเป็นการสอนในแนวที่ลึกซึ้งลงไป คือแนวท่งอารมณ์กรรมฐานเป็นระดับจิตสิกขากับปัญญาสิกขาแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็บันเทาความกับหนักขัดเคืองรุ่มหลงโมเมาลงไปเราก็จริงก็ไม่รู้จะไปทะเลาะ ก, กับใครนะฮะชีวิตแต่ละชีวิตมันเป็นศัตรูว่าธาตานั้นเองเราก็เป็นธาตุเขาก็เป็นธาตุไม่รู้จะทะเลาะ ก, กันเพื่ อ, เ พ, อเพื่อเรื่องอะไรกันท่านฟังกันหลาย